อย่าตอนพระพุทธเจ้าไม่สบายพราจุลทะสวดพชทธชงท่านร่าเริงใจท่านหายป่วยหายป่วยด้วยกําลังของธรรมปีติ น, นี่คนเดนนี้สวดพุทธชงก็อย่างนั้นแหละฟังไม่รู้เรื่องนะพชทธชงเริ่มจากสติสติสัมพุทธชงองค์ธรรมของสติสัมพุทธชงก็คือตัวสตินั่นเองสติคือความระลึกรู้ระลึกรู้อะไรระลึกรู้กายระลึกรู้ใจการที่สติระลึกรู้กายสติระลึกรู้ใจเนี่เรียกว่าการเจริญปัญญา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 รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมานะกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตเคลื่อนไหวรู้สึกกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นงั ktor, ้นจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นไ ง, ไงั้นคอยรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจไม่ลืมกายลืมใจเนี่ยเรียกว่าคอยรู้สึกตัวไว้ให้รู้รู้กายรู้ใจไปด้วยจิตที่เป็นกลางจิตที่เป็นกลางคือจิตที่ตั้งมั่นเป็นสัมมาสมาธิจิตที่รู้กายรู้ ใ, ใจได้เพราะจิตมีสัมมาสติ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 อย่าถือกันนะอ้าวมีอีกไหมนมัสการค่ะอ้าวว่างไง<ม>ตื่นเต้นไหมนิดหน่อยค่ะไม่อยากจะถามแล้วอะค่ะ <c oughs> อะไรนะ <c oughs> เรารู้ไหมว่าไม่อยากถามแล้วใช่ค่ะอะ่รู้แล้วใช้ได้ละหลวงพ่อคะหนูต้องปรับปรุงตรงไหนคะในการปฏิบัติคะภาวนานะลดความจริงจังลงนิดนึง รู้ให้สบายสบายรู้รู้กายอย่างที่เขาเป็นรู้ใจอย่างที่เขาเป็นไปคือหนูมีเวลาทั้งวันสําหรับการดูอะค่ะ น, นันเลยลมันหมกมุ่นมากไปอะนะหางานทำบ้างนะไม่มีอะไรทํานะกวาดบ้านไปก็ก็ทําไว้ด้วยอะค่ะซักผ้านะทํางานไปเรื่อยๆทําไปแล้วก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวไปนะร่างกายมันเคลื่อนไหวแล้วก็รู้หรือว่าทํางานไปแล้วขี้เกียจ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 เดินไปร0อยปีพันปีตายแล้วหมดเวลาจะไม่ได้ภาวนาใจของลมเละนิ่งใจของลมอย่างเงี้ยนิ่งอยู่ได้นานเป็นปีๆนะไม่มีใตรักให้ดูดูใจรักยากเพราะอะไรเพราะมันคงที่งั้นใจมนุษย์ดีที่สุดมนุษย์นะ่ะหลายใจเพราะฉะนั้นดีอย่าชังคนหลายใจนะเราเองน่แหละหลายใจ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 คล้ายๆคนติดยานะพราะสังเกตดูมันคล้ายๆคนติดยาน้ำจะเคลิมมีความสุขน้ำเคลิ้มมีความสุขแต่หลายระดับนะพลมถ้าพลมสูงขึ้นไปเนี่ยจะอุบกขาจะไม่เคลิ้มเคลิ้มในความสุขแต่จะพอใจในความสงบมิเว้ภายในไม่มีสิ่งใดมากระทบได้แจะพอใจอยู่แล้วก็เคลิ้มลงไปไม่ดีกลับไปเป็นคนปกติเนะที่ตอบยาวเพราะว่า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 หลวงพ่อคาโยมฝึกดูเนี่ยบางทีก็มีความสุขขึ้นมาบางทีก็ยังเพ่งยังประคอง อ, อ, อยู่เจ้าค่ะแล้วบางทีก็ไปรู้ทางตาหูจมูกลิน้นกายใ จ, จยแต่ว่าอันนั้นนี่ค่อนข้างที่จะเกรงนะเจ้าค่ะก็รู้ถูกต้องแล้วนะที่เกรงก็เพราะยังอยากดีอยู่ให้เรารู้ทันความอยากดีของเราอยากดีอยากสุขอยากสงบอยากได้มรรคผลนิพพานไวๆนะให้รู้ความอยากนี้ลงไป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 บางคนอ่านหนังสือมีอ่านหนังสือแล้วก็หลุดออกมาตื่นขึ้นมามีแต่ซีดีเยอะกว่าห น, นังสือเพราะหนังสืออ่านแล้วมีสับเยอะไปนิดนึงที่ต้องเขียนสัพบเยอะหน่อยเพือให้พวกนั ก, กพี่ทำาอ่านบ้างไม่งั้นนักปริญญาจะนักปฏิบัติไม่ถูกกันพูดกินไม่รู้เรื่องครับกลับมาเมการหลวงพ่อนะครับวันนี้จะมาขอรายงานการปฏิบัติก็คือช่วยยกมืออย่างเนี้ยแบบนักร้องอะ่ะก็คือที่ผ่านมาก็คือรู้ตัวบ้าง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 แต่ถ้าสบายจนกระทั่งเลื่อยเฉยขี้เกียจขี้คลานนะก็ปลุกใจให้แอคทีฟบ้างมันไม่มันเนเห <c oughs> มือนเราขับรถอ่ะ <c oughs> เวลานี้ควรจะเหยียบคันเร่งก็ต้องเหยียบเวลานี้ควรเหยียบเบรกก็เบรก <c oughs> ไม่ใช่เหยียบอันใดอันหนึ่งนะเหยียบอันใดอันหนึ่งไปไม่ถึงที่หมายหรอกใช่ไหมขับรถถ้าไม่เหยียบเบรกไม่ถึงอ่ะไถึงปาราโรกครับขอบคุณหลวงพ่อครับ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 ไปรู้ความรู้สึกรู้กิเลสอะไรเนี้ยอย่าจงใจนะลดรูปแบบของการปฏิบัติลงคนนี้เพิ่มรูปแบบขึ้นนะคนนี้ลดลงนะอ่ไม่เหมือนกันเดียจะมาเอาเป็นข้ออ้างว่าไม่ต้องทำบอกคุณต้องเลิกไปก่อนเพราะว่าภาวนาแล้วเครียดที่ภาวนาแล้วเครียดเรากำหนดมากไปมันไม่ใช่การมีสติระลึกรู้แต่มันเป็นการไปกําหนดรู้ครับ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 เดินเล่นๆอ่ะไม่ต้องว่าเราจะเดินจงกรมจริงจังนะเดี๋ยวเครียดวันนี้ใส่ขี้เครียดเครียดง่ายะทําอะไรก็ได้ที่รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆไปดูนะว่าทําอะไรค่ะขอบคุณค่ะคือสมัยก่อนคนน้อยนะอย่างหลวงพ่อไปหาหลวงปูด่ดูวิธีทั้งวันก็มีเราไปคนเดียวสองคนอะไรอย่างเงี้ย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 รู้สึกไหมให้รู้ลงปัจจุบันไปอย่างนี้นะเราโดยส่วนใหญ่เราผมเพ่งเกินไปหรือเปล่าครับเพ่งเกินไปนิดหนึ่งลดลงนิดหนึ่งเพนะ่งมันมาจากความอยากดีเผลอนี่ยมันมาจากความอยากชั่วนะเ พ, นนเพ่งนี่ยมันอยากดีมันก็เลยไปเพ่งไว้พอ <c oughs> บคครับเพราะฉะนั้นเผลอไปเขาเรียกว่าอับปุญญาีิสังขารนะที่ไปเพ่งก็เรียกว่าปุญญาพิสังขาร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 ขอพระอาจารย์ได้กรุณายกโทษทั้งปวงที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านด้วยกายวาจาใจเพราะความประมาดด้วยเถินหลวงพ่อเอาหสีกรรมให้นะแล้วถ้าหลวงพ่อประมาดพลาดพลั้งอะไรพวกเราหลวงพ่อก็เอาหัวสีด้วยนะนี่ธรำเนียมพระนะเอวังโห้ตัวเอวังโหตัโยจะปุเพปมัาชิตวาปัชชาโซนัปมาชิติโสมังโล ก, กังกภาเสติอาภามุตโตวจันณีมา ยัสสะปาปังกตังกั ม, มังกุสเลนะปิปะยติโสมังโลกังปภะเซติอาภามุตโตวจันิมาอาภิวาทนาสีลิสิชนิจังมุทาปจ า, ายิโนจตาโรธรรมาวะทันตีอายุวันโนสุขังภะลังจะต้องถวายทานนี่ครับแต่เดี๋ยวถวายทานร่วมกันนะครับ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 เมื่อตอนต้นเดือนนี้ไปหาครูบาจารย์ทัยสารท่านบอกว่าท่านส่งต่อไปอีกร้9ยวัดนะนันของที่พวกเราให้หลวงพ่อมาเนี่ยมันกระจายไปสู่อีกร้อยสวัดนะนั้นเป็นบุญหลายชั้นของพวกเรารับถอนนะยะถาวารีวหาปุราปาริปูเรนตีสาขรังเอวเมวาอีตัจินนังเปตานังอุปกปติ อิชิตังปฏิตังทุมหังคิปเมวาสมิฉตุสพเพปูเรนตูสังกป่าจันโดปันนรสอยทามณิชโชติรสอยทาสัพพีตโยวิวัตชันตูสัพพโรคโควินั ส, สตูมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีคายยโกภวะอาภิวาธนาสีลิสนิตจังวิทาปัจจายโนจัตตารโธมาวทันตีอายุวันโนสุขัง พลัง